มันไอความสุขที่เกิดจากการบริโภคมีนิดเดียวที่เหลือทุกทั้งนั้นเลยทั้งก่อนและหลังชีวิตต่ อ, ตอไปถ้าเราเกิดอีกมันก็ต้องสแสวงหาความสุขสุขจากการกินสุขจากการเที่ยวสแสวงหารูปสแสวงหาเสียงสแสวงหากลิ่นสแสวงหารสแสวงหาโพธพิพถ้าได้กรมคุณเหล่านี้น่าชื่นใจก็สุขไปแต่สิ่งเหล่านี้ก็ผู้ที่สมบูรณ์ในสิ่งเหล่านี้ก็มีไม่มาก ความทุกข์ก็ตามมาถึงมีอยู่ก็ต้องเป็นทุกข์เพราะการรักษาอีกดงนั้นพบใหม่ที่เราทั้งหลายจะมีขึ้นก็เพื่อสแสวงหาเวทนาสแสวงหาความสุขเหล่านี้แล้วเวทนาก็ไม่เที่ยงก็าจะสิ้นไปณนะที่นั้นเหมือนกับเป็นคนเล่นกันเหลาเล่นกับอะไรนะต่อมน้ำสแสวงหาความสุขจากต่อมน้าซึ่งเป็นของชั่วคราวเล็กๆน้อยๆในพบต่อๆไปก็เป็นลักษณะนั้นยิ่งเราทั้งหลายไม่มีฌานจิตด้วย ยิ่งเห็นชัดเลยว่าความสุขในชาติหน้าก็ก็เหมือนต่อมน้ําจริงๆเดี๋ยวก็สิ้นหมดไปนะที่นั้นๆแล้วชาตินี้ลนะ่ะเวทนาในชาตินี้สุขเวทนาที่ได้รับเนี่ยนะชีวิตของเรามาคํานวณดูเถอะแบ่งเวทนามีอยู่สามอย่างไงเพราะแต่ละคนนี่สวยเวทนาทีละอย่างสุขเวทนาบ้างทุกขเวทนาบ้างอาทุกขมสุขเวทนาบ้างคํานวณดูนะว่าเวทนาไหนมากที่สุดสุขเวทนามากที่สุด หรือทุกขเวทนามากที่สุดหรืออุเบกขาเวทนามากที่สุดนะบางคนบอกอุเบกขาเวทนามากที่สุดบางท่านบอกสุขเวทนามากที่สุดหลายท่านทุกขเวทนามากที่สุดเนี่ยนะแล้วแต่ว่าสุขเ ว, เวทนาเหล่านี้แบ่งเป็นสองอย่างทางกายและทางใจชีวิตเราเนี่ยยิ้มมากหรือใฉยมากเบื่งมากนะหลายเบื่งมากเนี่รนะแล้วก็ เดี๋ยวก็เบื่อบ้างเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์สลับครา่าควกันไปแล้วก็จักหมดไปในชาตินี้เองนะเหมือนกับว่าหัวเราะเมื่อวานก็ไม่เหลืออะไรร้องให้เศร้าใจเมื่อวานก็ไม่เหลืออะไรนะแล้วสรุปว่าทั้งชาตินี้ทั้งหัวรเราะและร้องให้ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งหวานและขมขื่นมันก็หมดอยู่ในภพนี้นี่แหละไม่เลยเหลือไปสู่ภพอะไรต่อไปนะแสวงหาดูแล ก, กว่าจะได้ความสุขแต่ก็ชั่วคราวทั้งนั้นเลย เวทนาทั้งหลายภายในก็เหมือนกันเวทนาทางตาก็สิ้นไปในแต่ละทวารแต่ละทวารเวทนาภายนอกก็ก็สิ้นไปในภายนอกเวทนายาเป็นทุกข์กล้าแข็งเผ็ดร้อนก็สิ้นไปเวทนาละเอียดคือเวทนาที่เป็นสุขเป็นอุเบกขาก็สิ้นไปเวทนาใกล้หรือเวทนาไกลกุศลและอกุศลมันไกลจากกันสรุปจะเวทนาจะชนิดใดปานใดก็ตามก็ ไม่เที่ยงเหมือนกันสิ้นไปนะที่นั้ น, น, นเพราะเวทนาทั้งหลายเกิดจากผัสสะเมื่อสิ้นผัสสะเวทนาก็เป็นอันสิ้นไปนั้นเวทนานั้นจึงไม่จีรังยังย่งยืนอะไรเลยแล้วสัญญาล่ะสัญญาในอดีตอดีตชาติเนี่ยนะไม่ว่าจะสัญญาในรูปสัญญาในเสียงเรียกว่าศัาสัญญาสัญญาในกลิ่นสัญญาในรสสัญญาในโพธภาษสัญญาในเรื่องราวทั้งหลายธรรมารมณ์ทั้งหลาย สัญญาความสําคัญหมายความจําหมายในสิ่งเหล่านั้นก็สิ้นแล้วในพบนั้ น, น, นตอนนี้จําลูกได้ไหมใครเคยคิดถึงลูกอดีตชาติบ้างก่อนจะตายชาติที่แล้วเราคงแก่มากเลยใช่ไหมตายก็ทิ้งลูกทิ้งหลานไว้แต่ไปหมดเลยนะอลูกเราเขาอยู่กันยังไงนะหลานเราเขาอยู่กันยังไงนะลูกหลานในอดีตชาตินะนะทํามาหากินเลี้ยงดูเขาแทบตายเขาอยู่กันยังไงนะอยู่เย็นเป็นสุขหรือเปล่าทําบุญหยาิน้ำมาให้เราบ้างไหมน้องเห็นะ น่าคิดดูนะว่าเอ๊ลูกหลานในอดีตชาติจําสัญญาได้ไหมว่าเออหน้าแบบนี้แหละลูกเราเนี่ยหลานเราหน้าแบบนี้และนี่บ้านเรานี้ของเราสัญญาเหล่านั้นเหลือไหมตอนนี้ไม่เหลือแล้วหมดแล้วนะภพนั้นนั้นั่นแหละแล้วต่อไปถ้าชาติหน้าแหละถ้ามีรูปประสัญญาสัทธสัญญาสัญญาในลูกในหลานในบ้านในช่องในทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะมันจะเลยไปหาพบต่อๆไปไหมมันก็ไม่มีแล้วมันก็จะสิ้นไปในภพนั้นนั่นแหละ แล้วสัญญาในชาตินี้แ่ะที่คืออนะั้นตั้งกต่เกิดมาว่านี้พ่อเรานี้แม่เรานี้พี่นี้น้องนี่เลือกสวนไร่น้าที่ดินที่ทํากินที่ทําการงานนี้ผ้าเรานี้ย่าเรานี้ทรัพย์สินอะไรเปียของเรานะสัญญาเหล่านี้ก็จงหมดในชาตินี้ไม่เหลือชาติหน้าไปถึงชาติหน้ากลับมาทวงใหม่แกลูกฉันนะแกเพื่อนฉันนะแก น, นี่นี่ของฉันมาก่อนนะนี่บ้านฉันมาก่อนนะนี่โอ้นี่ยก็ไล่ไปอย่างนี้มีไหม ว่ามันสิ้นอยู่ในภพนี้นี่แหละไม่ถึงภพหน้าต่อไปหรอกเพราะฉะนั้นสัญญาก็สิ้นไปในภพสัญญาภายในก็สิ้นอยู่ภายในสัญญาภายนอกก็จกสิ้นในภายนอกสัญญาหยาบก็สิ้นที่หยาบสัญญาละเอียดก็สิ้นที่ละเอียดเลวประนีไกลหรือใกล้ก็จกสิ้นไปณที่นั้นนั้นั่นแหละสังขารทั้งหลายเจตนาทั้งหลายกุศลนะสังขารขันก็แบ่งเป็นกุศลเจตสิกกับ กลุ่มสัพพะจิตตสาธารณเจตสิกพวกนี้เป็นสังขารทั้งหลายสังขารทั้งหลายก็สิ้นไปแล้วในอดีตนั่นแหละหมดไปแล้วมีเหลืออะไรมากไหมบุญบาปพบที่แล้วก็หมดสิ้นไปในภพนั้นนั้นนั่นแหละแต่มันแบบอะไรนะมันไม่หมดแบบธรรมดาสิมันสังสมตรงไหนทิศ มอมันสังสมไงบุญบาปมันสังสมมันสังสมอยู่ตรงไหนนะมันนอนเนื่องเหรอมันนอนอยู่ตรงไหนอ้าวมันมันหมดมันดับไปแล้วอ่ะมันมีกําลังยังไงอืมเดี๋ยวพอพันขาตัวเองล้มอยู่ตรงนี้เนี่ยระวังพันดินพันไปพันมาเลยงงไปหมดเลยอย่างเงี้ยคือสัญญาอ่าเจษ กุศลสัญญาก็สิ้นไปแล้วในอดีตอขออภัยกุศลสังขารธรรมทั้งหลายก็สิ้นในอดีตอากุศลสังขารธรรมก็สิ้นไปแล้วในอดีตเขาสิ้นก็จริงอะแต่ว่าเขามีการประชุมทําสัญญาอะไรกันเรียบร้อยแล้วคือกุศลหรืออากุศลเนี่ยนะสังขารธรรมทั้งหลายเหล่านี้มันเหมือนการประชมุมประชุมสร้างวัตถะพอประชุมเสร็จก็ล้มไปเนี่ยนะก็ก็เรียกอะไรนะ ผู้จัดการประชุมกันทั้งหมดเลยนะเพื่อมีโครงการใหม่ประชุมเสร็จก็ตายนะประชุมเสร็จก็ถูกบอมแต่ว่าสัญญาอันนั้นได้ทํากิจเสร็จแล้วเหมือนอะไรนะัเหมือนเราไปทําเรื่องกู้อะไรสักอย่างนะแบบกู้แบบโบราณที่ไม่มีรายลัลกษณ์อักษร น, นะก็ทําเรื่องกู้ก็ได้เงินมาก็ไปใช้ไปเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนก็กูก้แบบกู้เช้าเย็นจ่ายอย่างเง้ยนะมันไม่มีใบสัญญาอะไรรับรองสักอย่างใช่ไหมเช้าก็ไปเอามาเขอาจจะจด บ, บ้างตัวเลขเท่านั้นเท่านี้ เสร็จแล้วก็เย็นต้องจ่ายทีนี้เมื่อทําเรื่องกู้เสร็จแล้วเนี่ยเย็นก็ต้องจ่ายนะแต่ถามว่าอ้าวแล้วมันเก็บอยู่ตรงไหนอะ่ะลักษณะการกู้อะ่ะกรรมทั้งหลายที่ประชุมกันในอดีตมันก็หมดตรงนั้นแหละแต่ว่าการประชุมนั้นมันมีผลมันมีผลต่อการบังคับใช้ระยะต่อไปอนะนะเหมือนกฎหมายมันคลอดออกมาอย่างนี้ใช่ไหมผู้สภาผู้แดนก็มาประชุมกันเพื่อคลอดกฎหมายหนึ่งฉบับขึ้นมาเสร็จแล้วพอไอ้กฎหมายนี่มัน มันเกิดขึ้นมาปั๊บประชาชนต้องปฏิวัติตา่างแล้วถามว่าเอ้เรานี่กลัวตัวกฎหมายแล้วกฎหมายมันอยู่ตรงไหนโดยบัญญัตินะโดยอัฏฐะโดยสภาวะปรามามตติมันอยู่ตรงไหนไม่มีอยู่แต่ถ้าทําผิดปับ๊บมีโทษทันทีเลยถ้าทําผิดกฎเกณฑ์กฎ ร, ระเบียบของเขาอ่ะนะกรรมทั้งหลายก็ลักษณะเดียวกันเมื่อประชมกันทำำํากรรมเสร็จกุศลเจตสิกอกุศลเจตสิกประชมทำำํากรรมเสร็จดับไปหมดเลยแต่ผลของการประชมเหล่านั้นมันจะมาเปิดโอกาสให้วิบากเกิดขึ้น เช่นแหวกให้เห็นตาเห็นเนี่ยจากขูวิญญาณนี่เป็นผลของกรรมในอดีตโสตาวิญญาณขานาะวิญญาณชิวหาวิญญาณเพราะนนั้นสิ่งเหล่านั้นก็ดับหมดสิ้นไปแล้วในภพนั้นนั้นแต่สิ่งเหล่านั้นแปรสภาพเป็นปัจจัยเพรา ะ, ะนั้นบุญบาป ท, ที่ทํามาก็ถ้าเปรียบเปรียบอุปมาสิ่งที่เราทําไว้แล้วก็จะติดตามเราไปเหมือนเงาตามตัวได้ปัจจัยก็พร้อมที่จะให้ผลทันทีเขาถามพระอาจารย์ว่าแล้วอันนั้นที่เรียนที่ ปริเชษของจิตะคะบอกว่าจิตสัง ส, งสมสันดานความหมายคืออะไระสังสมสันดานก็ด้วยสามารถแห่งชาวนะนั่นเองที่นั้นในสังสมในชาวนะนี่คือก็ชวนะมันเกิดขึ้นเจ็ดวงแล้วก็ดับไปก็แค่นั้นเองสังสมในที่นั้นก็คือเกิดย้ำๆซ้ำๆกันเจ็ดวงอ่ะนะนั่นคือสังสมสันดานด้วยสามารถแห่งชาวนะหรือวิถี แล้วดับไปกับสัญญาตรงนี้มันต่างกันอ๋อสัญญาเนี่ยมันเป็นไอ้สัญญาแบบสัญญาภาษาไทยกับสัญญาภาษาบาลีต่างกันสัญญาภาษาบาลีนี่หมายคำว่าสําคัญหมายในสิ่งนั้นเช่นนี่สีขาวนี้สีเขียวนี้สีเหลืองพอสําคัญหมายว่าสีขาวเสร็จแล้วก็ดับไปหมดแล้วส่วนสัญญาภาษาไทยคือการนัดหมายกันนัดกันว่าสัญญาว่า พรุ่งนี้จะพบกันตอนเที่ยงอย่างนี้นนะอันนี้คือภาษาไทยเป็นการนัดหมายคนละอย่างกันสังขารเหล่านั้นเนี่ยนะบุญบาปเราพบนั้นๆก็สิ้นไปแล้วดับไปแล้วในพบนั้นๆแต่สิ่งเหล่านี้ก็โดยปัจจัยก็สามารถมาเป็นอวิชชาตัญหากรรมเหล่านั้นที่เกิดแล้วก็ดับไปนั้นอะ่ะเป็นปัจจัยแห่งพบใหม่อยู่ตอนนี้ แล้วบุญบาปที่จะมีต่อไปในพบต่อไปสังขารทั้งหลายที่จะมีในพบต่อไปก็จับสิ้นในพบต่อไปไม่เลยไปหาพบต่อต่อไปบุญบาปทั้งหลายสังขารทั้งหลายที่มีอยู่ในพบนี้เจตนาทั้งหลายก็สิ้นในพบนี้นี่แหละอย่างคําที่เราพูดนะเราเก็บไว้ตรงไหนเจตนาที่เป็นเหตุให้เราพูดเราเก็บไว้ตรงไหนมันก็หมดมันก็สิ้นไปอยู่นะที่นั้นๆันั่นแหละแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสังขารธรรม เป็นปัจจยธรรมเป็นนานขาขากนิ ก, กรรมปัจจัยเป็นปัจใจที่จะมีต่อไปได้แล้ววิญญาณทั้งหลายนะจิตเห็นจิตได้ยินจิตรู้กลิ่นจิตรับอารมณ์ทวารทั้งหกในอดีตตพก็สิ้นแล้วหมดแล้วในอดีตตพบเคยเห็นก็เลิกเห็นได้ลเลิกเห็นแล้วของอดีตชาตใช่ไห เลิกได้ยินเลิกรู้เล่นเลิกรู้รสเลิกทุกอย่างเลยในทวารหกเลิกนึกคิดแบบอดีตทั้งหมดและชาติต่อไปล่ะก็หมดในชาติต่ อ, ต, อต่อไปความการเห็นการได้ยินจิตทวารตาหูจมูกลิ้นกายใจก็จกสิ้นในพบใหม่ๆสิ้นอยู่ณนะที่นั้นนั้นแล้วจิตในชาตินี้ล่ะจิตในชาตินี้ก็สิ้นในชาตินี้นะการเห็นเมื่อเช้ากับการเห็นตอนนี้เหลือไหมคนละอย่างกันแล้วเมื่อเช้าก็หมดไปแล้ว เดี๋ยวเอกไม่นานเนี่ยตอนนี้การเห็นตอนนี้ก็จะหมดไ ป, ปการเห็นการได้ยินการรู้กลิ่นรู้รสรู้โภตาพะนึกคิดเรื่องราวทั้งหลายสิ่งเหล่านี้ก็จะสิ้นอยู่ในชาตินี้แหละไม่เลยไปหาชาติหน้ารอกเนี่ยนะก็สิ้นอยู่ในชาตินี้สรุปว่าขันในอดีตก็สิ้นแล้วในอดีตขันในอนาคตก็จะสิ้นในอนาคตขันปัจจุบันก็กำลังสิ้นอยู่ในปัจจุบัน ความน่ากลัวของขันในขันในอดีตคือเป็นทุกข์คือมันน่ากลัวในอดีตมันก็น่ากลัวอยู่ในอดีตนั่นแหละความน่ากลัวในอนาคตก็คือความน่ากลัวในปัจจุบันนี้มันก็น่ากลัวเหมือนกันไอทั้งสิ้นไปด้วยน่ากลัวด้วยก็ไม่มีผู้ใดมีอำนาจในสิ่งนี้อย่างแท้จริงเคยเห็นผู้จัดการโลกไหมให้ผู้ใดผู้หนึ่งมีสุขมีทุกข์อย่างแท้จริงนีม่มีไหมไม่มีไม่มีใครมีอำนาจอย่างแท้จริงเลย หลายคนมีอำนาจสั่งภายนอกแต่ว่าไอ้ที่ป่วยนี่มันแก้ไม่ได้อย่างเงี้ยเมืนเนี้สั่งให้คนวิ่งเขาก็วิ่งสั่งให้คนเดินเขาก็เดินสั่งให้คนนั่งเขาก็ น, นั่งสั่งให้เขาติดคุกอะไรทําได้หมดอะแต่ตัวเองป่วยแล้วมันคุมไม่ได้ดูแลไม่ได้อย่างเงี้ยพันไม่มีผู้ใดมีอำนาจในอะไรอย่างแท้จริงหรอกเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นแต่ปัจจัยที่ดูแลเขาได้คุมเขาได้สั่งเขาได้ก็คือด้วยบุญเก่าที่เรียกว่าบุญยริตเนี่ยนะบุญยริศ ก็หลายคนขอร้องแทบตายเขายังไม่ทําเลยอย่างนีน้เพราะว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นแต่ปัจจัยเท่านั้นเองที่เป็นไปตามปัจจัยก็เป็นไปตามปัจจัยอีกครั้งหนึ่งเพราะปัจจัยทั้งหลายก็เป็นปัจจยุบันของอีกสิ่งหนึ่งนะมันไม่มีผู้ใดมีอํานาจอยู่ในสิ่งเหล่านั้นอย่างแท้จริงอะไรไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยไม่มีผู้ใดมีอํานาจอยู่ด้วยนะก็คิดดูนะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งอาสวัต อาสวะ น, นะเป็นที่ตั้งแห่งกามาสวะบ้างเป็นที่ตั้งแห่งภาวาสว ะ, ะภาวะสวะบ้างเป็นที่ตั้งแห่งอวิชชาสวะบ้างมันไม่ได้ดีอะไรอยู่จริงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่ว่าคนพานทั้งหลายผู้ไม่เห็นสัจจะเหล่านี้ไม่เห็นทุกขสัจจะว่าไม่เที่ยงเพราะสิ้นเพราะสิ้นไปเป็นทุกขเพราะหน้ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระคนพานทั้งหลายก็เลยพร่ำถึงบนถึงต้องการมุยฮะ แสวงหาอยู่นั่นแหละเขาไม่รู้หรอกว่าเขากำลังแสวงหากองทุกเนี่ยนะแสวงหากองทุกแสวงหากองภัยแสวงหาสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ไม่เป็นสาระอย่างที่พระองค์ตรัสว่าเราเนาอเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดาก็ยังแสวงหาความเกิดเป็นธรรมดาหรือแสวงหาสิ่งที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็คือพูดง่ายๆสรุปว่าเราทั้งหลายเป็นผู้มีความเกิดเป็นธรรมดานะ ยังสแสวงหาการเกิดเป็นธรรมดาอีกหรือแก่เป็นธรรมดาและยังสแสวงหาความแก่อีกหรือป่วยเป็นธรรมดาแล้วยังสแสวงหาโรคอื่นๆต่อไปอีกหรือมีความตายเป็นธรรมดาสแสวงหาพบใหม่เพื่อตายต่อไปอีกหรือนะแล้วก็เสียใจอยู่บ่อยๆก็แสวงหาเรื่องเสียใจไปเรื่อยๆอีกหรืออันนี้คือสิ่งที่ศัตว์ทั้งหลายลุ่มหลงเพราะไม่ได้เคยพิจารณาเลยว่าวัตถุเหล่านี้เป็นที่ ที่ตั้งเป็นเป็นของที่สิ้นไปเป็นที่ตั้งแห่งความน่ากลัวแล้วก็ไม่มีสาระไม่มีผู้ใดมีอํานาจในสิ่งเหล่านี้อย่างแท้จริงเหมือนคุมได้ใช่ไหมคุมไขมันได้ไหมเอาจริงชักเอชักยุงเหมือนกันนะลองไม่รักษาศีลอะไรเลยนะเห็นอะไรกินหมดแล้วคุมไขมันเลยคุมได้ไหมยากเต็มทีเนี่ยเลย ทันทียาอาจจะช่วยได้นะใช่คุมไขมันแต่ว่าไม่ได้คุมตายนะ <c oughs> กินมากกลายเป็นตายเร็วขึ้นอย่างเงี้ยนะ <c oughs> แก้กเรื่องหนึ่งไพล่ไปโดนอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยก็เป็นอย่างเงี้ยคือไม่มีภัยมีอํานาจอย่างแท้จริงอะไรหรอกในสิ่งเหล่านี้นเพราะงั้นพระองค์จึงตรัสแบบสรุปว่าทำเหล่านี้ทั้งปวงนี้เนี่ยนะเมื่อไม่เที่ยงด้วยเป็นทุกข์ด้วยแล้วทําไมเราไปตามยึดว่ามันยังเที่ยงอยู่เราทําไมเรายังตามยึดว่ามันสุขทําไมตามยึดว่าเร า, ามีอํานาจในสิ่งนั้นจริง ไอ้ความยึดนี่แหละเป็นอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพบพบเป็นปัจจัยจึงมีชาติชรามรณะโสกกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปาญาตยึดยังไงก็เป็นไปเพื่อชาติชราและมรณะพูดอย่างนี้อย่ายึดดีกว่านะตอนนี้ยังเลิกยึดไม่ได้แต่ก็ไปไหว้พระเจดีแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อจะเลิกยึดต่อไปสักวันหนึ่งเนี่ยจะต้องชนะไอ้ความยึดถือให้ได้เนี่ยนะสักวันหนึ่งต้องชนะใจตัวเองให้ได้เด็ดขาดเนี่ยด้วยอรยิยมรรคนะ ไม่ใช่ชนะด้วยโทสะไม่ใช่ชนะด้วยโลภะแต่ว่าชนะด้วยมัสมีองแปดนะนั่นจะต้องประหารไอ้ฉันทราคะอันนั้นให้ได้นะเพราะว่าไอ้ตันหาที่พาเกิดเนี่ยมันพาทุกมามากแล้วนัว่นก็พิจารณาอันนี้โดยอ น, นิจจังทุกขังและอนัตตาทีนี้ถ้าเอาจักผุมาพิจารณาบ้างอนะจักผุก็สิ้นไปแล้วนะตาในอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วใน อดีตชาติไม่ได้มาถึงชาตินี้หรอกถ้าตาชาติที่แล้วตามมาด้วยจะว่างไงคงยุ่งมากเลยนะถ้าตาช้างอ่ะนะถ้าตามมาตาหมาตาโอยกลับมาตามมาเป็นชาตินี้ตาชาติที่แล้วข้างหนึ่งตาชาตินี้ข้างหนึ่งทําใจได้ไหมทําใจไม่ได้นะแล้วตาชาติหน้าก็จากสิ้นไปในชาติน้าแล้แหละไม่เลยธาตุอื่นไปหรอกตาชาตินี้เอาไม่ไปใช้ชาติหน้าต่อไม่เอาอ่ะนะ แสดงว่าหวังชาติหน้าอยู่ก็คือก็หวังหรือไม่หวังก็ไม่รู้อะถ้าไม่เบื่อจากตาก็อย่างว่านะยังไงก็ยินดีที่จะเห็นทั้นตาทั้งหลายก็ตาในชาตินี้ก็สิ้นไปในชาตินี้นี่แหละเนะหูในอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วในอดีตชาติไม่เลยมาถึงชาตินี้นะหูชาติหน้าก็สิ้นชาติหน้านั่นแหละไม่เลยชาติถัดไปโน่นหรอกหูของชาตินี้ก็สิ้นอยู่ในชาตินี้ไม่เลยไปหา ชาติหน้าอีกต่อไปเนี่ยนะเอาไหมเอาหูของเก่าเนี่ยไปใช้ชาติหน้าไปอีกเก็บไว้ใชต้ต่อเนี่ยนะประหยัดประหยัดวัตตาไม่ได้นะไม่เอาเด็ดขาดเลยนะถ้ามันดีจริงไม่ตายรอกเชื่อแล้วจมูกลิ้นกายของชาติที่แล้วมันก็ไม่ได้เลยมาจนถึงชาตินี้หรอกจมูกลิ้นกายใจอ่ะนะชาติที่แล้วก็หมดไปแล้วในชาตินั้น น, น, นั่นแหละตาหูจมูกลิ้นกายใจในชาติหน้ามันก็จะสิ้นอยู่ในชาติหน้านั่นแหละ ตาหูจมูกลิ้นกายใจชาตินี้ก็จะสิ้นอยู่ในชาตินี้ไม่เลยไปหาชาติหน้าต่อไปรอบนะรูปเสียงเปลี่ยนรสโพธิภพธรรมมรมทั้งหลายในอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วในอดีตชาติรูปเสียงเปลิ่นรสโพธิภพธรรมมรมในอนาคตก็จกสิ้นในอนาคตรูปเสียงกลิ่นรสโพธิภพธรรมมรมในชาตินี้ก็จะสิ้นอยู่ในชาตินี้เอาไหมเอาผิวชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าต่อ เอาสีชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าเอาเสียงชาตินี้ไปใช้ชาติหน้าต่อเนีก็ไม่เอาอีกแลนะท่านก็สิ่งเหล่านี้ก็สิ้นอยู่ในภพนี้นั่นแหละจากขูวิญญาณโสตวิญญาณคาร์นัวิญญาณชิวหาวิญญาณกายวิญญาณมโนวิญญาณสิ่งเหล่านี้ในอดีตชาติก็สิ้นไปแล้วในอดีตชาติไม่ถึงชาตินี้นะวิญญาณหกในชาติหน้าก็สิ้นอยู่ในชาติหน้าไม่เลยไปชาติต่อไปวิญญาณหกของชาตินี้ก็สิ้นอยู่ในชาตินี้นี่แหละไม่เลยถัดไปหาชาติต่อไป การคิดแบบนี้นะฝึกคิดในสิ่งที่มันหยาบที่สุดก่อนนะก็ไม่ใช่ไปฝึกคิดเออเนี่ยเห็นนะเดี๋ยวก็หมดไปแล้วอย่างเงี้ยก็ก็คิดอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็ไม่เห็นฉลาดอะไรขึ้นเลยแล้วเราลองมาคิดแบบที่วิสุทธิมัททท่านแนะนำที่คิดตามปฏิสัมพิธามัททท่านแนะนําว่าลองฝึกเนอฝึกคิดในสิ่งที่มันหยาบที่สุดมันใหญ่ที่สุดดูก่อนนะฝึกคิดในสิ่งที่มันหยาบที่สุดนะเพราะของชาติทีแล้วมันก็หมดแล้วในชาติทีแล้วจริงๆ ไม่ว่าจะเป็นขันห้าในอดีตชาติอายตนะภายใน6ในอดีตชาติอายตนะภายนอก6ในอดีตชาติวิญญาณหในอดีตชาติภัสสะหในอดีตชาติเวทนา6ในอดีตชาติสัญญา6ในอดีตชาติเจตนาหในอดีตชาติตันหาหกวิตตกหวิจารณหกก็สิ้นไปหมดแล้วในชาตินั้นๆทีนี้ถ้าชาติหน้าต่อไปอีกก็จะมีขันห้ามี อายตนาภายใน6อายตนาภายนอกหวิญญาณหกผัสสะหกเวทนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารณหกก็จะสิ้นไปในอนาคตนั่นแลชาตินี้ก็เหมือนกันขันห้าชาตินี้ตาหูอายตนาภายในชาตินี้อายตนาภายนอกชาตินี้วิญญาณหกผัสสะหเวทนาหกสัญญาหกเจตนาหกตัณหาหกวิตกหกวิจารณหกในชาตินี้ก็สิ้นอยู่ในชาตินี้นี่แหละไม่เลยไปหา ชาติหน้าอะไรรอแต่ว่ามันคือกองทุกชัดๆเลยใช่ไหมเพราะมีส่วนไหนบ้างในส่วนในสรีระเนี่ยนะทั้งไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวทุกขโทมนัสอุปาญาตมีไหมสักชิ้นหนึ่งลองหาดูนะโดยที่สุดแม้แต่ปัญญาเรายังเศร้าใจเพราะปัญญาเลยใช่ไหมเศร้ญญาตรงไหนดูไหมก็มันไม่เกิดนะสิปัญญาไม่เกิดก็เลยเศร้ญญาเลยนะเขาบอกอันนี้ถือโทษของปัญญาประมานั้ ปัญญาไม่เกิดวันี่แหละก็เลยเศร้าเรียกว่าโทษของปัญญิีสีปัญญิีสีถ้าเกิดก็ดีดีอาสาทะเลยใช่ไหมไงเราที่ฉลาดใบหน้าดูเลยพอรำเซึมคิดอะไรก็ไม่ออกเนี่ยนะโอ้ยทำไมเรามั็นงูอย่างงี้เนี่ยนะก็เสีาายใจเอกเพราะมันไม่เกิด น, นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะมันเป็นอย่างนี้มานานแล้วเนี่ยนะ แต่ความที่เรามันประเภทอะไรนะมันมองอะไรให้ตรงกันข้ามไว้เสมอนะปกติของสัตว์โลกเนี่ยมองตรงกันข้ามกับความจริงอยู่เสมอเนี่ยนะเป็นปกติเลยจริงๆนะมองตรงกันข้ามกับอนิจจังมองตรงข้ามกับทุกขังอันนี้จังแปลว่าสิ้นไปใช่ไเรามองตรงกันข้ามกับคำว่าวสิ้นไปทุกขังเนี่ยมันน่ากลัวเราก็มองตรงกล้ามอมองตรงกันข้ามบอกสบาย อไากว่าพยังกับเขมังบอกออ้ยกเกษมสบายปลอดภัยทุกอย่างไร้โรคคาดีหมดเนี่ยนะดีของมันนึกขำไอเด็กข้างบ้านนะนะขำมากเลยก็บอกว่าเขาไปคือเขาเป็นวัยรุ่นใช่ไหมเขาก็ไปชอบไอเด็กผู้หญิงคนหนึ่งก็ทั้งคู่เพิ่งจบประถมหกทั้งคู่นั่นแหละนะ่ะแล้วก็อะไรไปชอบมากอ้ยชอบมากตอนหลังก็เพิ่มมาอีกปีสองปีเ้าก็ รบเรล่พ่อให้ไปขอใหญ่เลยนะเพราไปขอเสร็จแล้วก็บอกพ่อไม่ขอให้หรอขอให้เผาบ้านนะยงไเตรียมเผาบ้านนะ <c oughs> ก็เลยต้องไปขอให้ขอให้เวลาผ่านไปแต่งงานได้ลูกคนหนึ่งเสร็จแล้วอีกปีนหนึ่งนะเขาแต่ใบถึงเกณฑ์ทหารพอดีเ้าก็ไปจับสาทุ ข, ขอ้ยขอใยใบแดงข้อยใบแดงจะได้เลิกอยู่บ้านสะทีนั้นเบิดอเต็ทีแล้วนะั้น อยากเป็นทหารมากจะได้ไปให้พ้นพบ้านสักทีเสร็จแล้วก็ใบใบดำต่อนะเป้าบ้านต่อเก็อย่างนี้แหละวัดตาไม่ก็เป็นอย่างนี้แหละก็คือมองตรงกันข้ามใช่ไหมก็นึกว่าดีแต่ที่ไหนได้แต่แล้วก็ก็นึกถึงขาหลายๆคนนะคนที่เขาเ้าตายให้บรรพบุรุษของเราอะนะเช่นบรรพบุรุษของเราเนี่ยนะโอ้ยเหน็ดเหนื่อยตั้งกตเกิดยันตายว่างั้นเถอะเสร็จแล้ว หมดแล้วไม่หรืออะไรเลยเอนะันนคิดแบบต้องคิดแบบอะไรนะต้องคิดแบบท่านสุเมศบัณฑิตใช่ไหมสุเมศบัณฑิตนะคือพ อ, อทนายเนี่ยมาเล่าให้ฟังทนายมาเล่าให้ฟังว่าคือพ่อตายแม่ตายหมดก็ทิ้งมรดกกองโตวไว้ให้เนี่ยนะก็เลยบอกว่าอา้าวแล้วทำไมปู่เป็นต้นไม่เอาไปด้วยนะคือคือเขาจะแจงหมดเลยว่านี่นะเก็บไว้ตั้งแต่สมัยปู่ หรืออาจจะเก็บบันพรบรรดุก่อนปู่อีกนี่เขาก็เก็บสะสมสะสมสะสมสะสมนิกองเท่านี้นะสายพ่อแล้วก็เอากองเท่านี้สายแม่สรุปว่า80ิโกรธโบราณเนี่ยนะกะ็อาจจะหลายร้อยเล่มเกวียนอยู่เหมือนกันมากองพเดินเดินเทขไวให้หมดเลยเามาคิดดูเออปู่น ะ, สะแสวงหาแล้วก็ตายนี้ทิ้งไปแล้วพ่ อ, อเราหามากองไว้แล้วก็ตายไปแล้วสายแม่นะ่นนี่แม่ของแม่ของแม่ของแม่เก็บมาไว้จนถึงทุกวันทุกคนก็ตายไปหมดแล้วมาเหลือถึงเรา เราจะต้องตายจากพวกนี้เหมือนกันนะเนี่ยรู้เลยว่าเราจะต้องไปเที่ยวหามากองไว้เพิ่มแล้วตายไปของใครกันแน่นะว่าเพราะเอางี้ดีกว่าเราขนไปด้วยก็เลยทําบุญใหญ่เลยนี่นก็คือจะเอาไปใช้ชาติหน้าด้วยเนี่ยนะบางพวกก็เที่ยวเสาะแสวงหาทําทํำทาแทบตายเลยนะเสร็จแล้วก็ไม่เหลืออะไรเหมือนกับหลายคนเขาปลูกผักเนี่ยนี คิดแบบถ้าแบบชาวบ้านไหนเขาวอาลูกผักรดน้ำตื่นกะตีสี่รดน้ำดูแลฉีดยาฆ่าหญ้าฉีดยาฆ่ามแมลงกว่าจะได้ผักเนี่ยมากินมากินเสร็จแล้วผักนั้นเหลือไหมปีมปลูกใหม่ต่อก็อยู่อย่างเงี้ยทำาล้ว ท, ทำบาปทับถมให้แกตัวเองจนตายนะประชุมทำบาปไว้เพียบเลยนะเสร็จแล้วของชาตินี้ไม่เหลืออะไรแม้แต่ชิ้นเดียว นะก็ทอดทิ้งร่างกายเพรา ะ, ะคิดแบบพระพุทธเจ้าก็คือบอกว่าโลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืนนะก็แก่ไปเรื่อยโลกไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าพอป่วยแล้วก็ช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้นะนักกีฬาแข็งแรงขนาดไหนก็เถอะถ้าป่วยก็แล้วก็ช่วยอะไรตัวเองไม่ได้เนะี่ยก็เดือดร้อนพยาบาลอีกนะั่นแหละเสร็จแล้วพอตายไปแล้วเนี่ยนะจำต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปสิ่งที่เคยมีก็ต้องละทิ้งทั้งหมดเนี่ยนะนะคุณนี่เาวันจะเอาอะไรติดมือไปด้วยเนี่ย ไม่เอาเลยเหร อ, อยังไงยังไงอย่าลืมบุญเนอะเอาบุญไปด้วยกันแล้วกันทาบุญไว้ให้ดีเนี่ยนะแต่สรุปว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นของสมบัติในโลกนี้นี่แหละไม่ใช่ของใครนะอย่างที้ว่าดินนี่มันของใครอ่ะนะดินนี่ของใครน้ําเป็นของใครลมเป็นของใครไฟเป็นของใครพระพุทธเจ้าตรัสว่าสิ่งเหล่านี้เป็นอัพยากตธรรมเป็นมหาภูตรูปเนี่ยนะ เพราะผู้ที่ไม่เข้าใจหลักการเหล่านี้ว่าสิ่งเหล่านี้มีอันต้องสิ้นไปเป็นธรรมดาสิ่งเหล่านี้นํามาซึ่งความน่ากลัวน่ากลัวยังไงก็น่ากลัวนะทุกนายวัตตะเนี่ยนะแล้วก็ไม่มีสาระอย่างแท้จริงถ้าหากว่าการสแสวงหาสิ่งเหล่านี้สแสวงหาขันธาตุอายตนะดีจริงนะเราก็สแสวงหาเสียน้ําตามาเป็นน้ําทะเลแล้วเนี่ยก็น่าจะได้ดีไปแล้วถ้าหากว่ามีขันอายตะานะธาตุเหล่านั้นแล้ว ดีมันถ้าเราตั้งความปรารถนาขันธะอายตนะเราก็ต้องไปเสียใจยเพราะขันธะอายตนะต่อไปไม่มีที่จบไม่มีที่ที่สิ้นเนี่ยนะยัหมวยบอกโอ้ยเบื่อเต็มทีแล้วอยากจบจ บ, จบสทีแล้วว่างั้นนะจริงหรือเปล่าไม่ทรบาบนะตั้งใจจริงอะนะมันสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเพราะสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระสรุปทั้งอดีตอนาคตปัจจุบัน ภายใดภายนอกอย่าละเอียดเลวประณีตใกลและใกล้ต่อไปอีกว่านนถ้าอ น, นิจจังแบบพิสดารขึ้นใช่ไหมขันขันอยนายตนะธาตุเหล่านั้นในอดีตก็สิ้นไปนไม่เที่ยงเพราะหมดไปแล้วในอดีตนะนะอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นมีความสิ้นไปเป็นธรรมดามีความเสื่อมไปเป็นธรรมดามีความคลายไปเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดามีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา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 ขันอายตนะธาตุในอดีตชาติเนี่ยนะก็เป็นของน่ากลัวใช่ไหมน่ากลัวเพราะอะไรเพราะชาติชรามรณาโศกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปาญาติผลขันอายตนะธาตุทั้งหมดในอดีตชาติก็คือวัตถุที่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะหรือว่าสิ่งเหล่านั้นก็ร่าร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะแผดเผาอยู่ใช่ไหมร้อนด้วยไฟคือชาติชรามรณาโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและ อุปายาตถ้าชาติ ต, ต่อไปจะมีอีกสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งความร้าร้อนด้วยไฟยคือราค่าร้อนด้วยไฟยคือโทสะร้อนด้วยไฟยคือโมหะแล้วก็สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของที่มีชาติชารามรณะโศกะเป็นที่ตั้งแห่งโศกะประิเทวะทุกโทมณตอุปายาตต่อไปอีกแล้วของในภพนี้ก็เห็นชัดเลยใช่ไหมชาติได้มาแล้วก็วันนี้โยอมากบัลลังก์แลอว ทางสันติบอกว่าวันชาราเข้ามาทำบุญเนื่องในวันชารามรณะนะคือทำเผื่อไว้ไงมรณะก็ไม่ได้ทำนะจ๊ะแล้ก็มรชาตชราและมรณะชีวิตเหล่านี้ของเราทั้งหลายตั้งแต่มีตาเนี่ยนะดูเพื่อราคะดูเพื่อให้เกิดโทสะแล้วก็ดูเพื่อให้เกิดโมหะมีหูจมูกลิ้นกายใจมีขันธาตุอรยะตนะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและ โมหะชีวิตนี้ก็ชาติชราและมรณะก็สรุปว่ากองทุกต่อไปเนี่ยนะเพราะสโสกกาปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปาญาตเราคิดบ้างไหมว่าฉันจะไม่เศร้าใจเพราะสิ่งนั้นเด็ดขาดมีไหมพีชฉันจะไม่เศร้าใจเพราะนาฬิกาเด็ดขาดอย่างเงี้ยฉันไม่จะไม่เศร้าใจเพราะแว่นตาเด็ดขาดก็ลองหาไม่เจอเดีด๋ยวไปวางไว้ที่ไหนนะี่ย <laughs> เดี๋ยวก็จิตขุนมวยก็แล้วนะีนะฉันจะไม่เศร้าใจเพราะรองเท้าเด็ดขาดอย่างเงี้ยนะ มีไหมมีสรุปรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องนะเป็นที่ตั้งแห่งสโสกะปริเทวะทุกโทมนัสและอุปายาตโดยที่สุดแม้แต่ขนตาแทงตาเข้ามานี่ก็สโสกกะอี ก, ก น, นะยอมคนหนึ่งก็บอกว่าเขาต้องไปหาหมอประจําเพื่อถอนขนตาออกเพราะขนตามันขบเข้าอ่นะะปกติเขาเขางอนขึ้นออกออกออกมาข้างนอกนะแต่เจ้านี่มันเข้าไปข้างในมีฝรั่งคนหนึ่งมาจากอังกฤษชื่อโรอแล น, ะแนใช่ไหมโรแลน เพื่อนคนรุง่งอ่ะโรแลนด์นั่นแหละชื่อโรแลนด์เขามานั่งสนทนาด้วยเพื่อนเขานั่งถอนขนตายอย่นั้นแหละเป็นฝรั่งที่พอพูดไทยได้บ้างนะเขาไปอยู่ฝรั่งอยู่ไทยหลายปีนั่งถอนขนตาไปนั่งไปถอนขนตาไปเนี่ยนะมันเขาบอกมันคันมากเลยมันยี่ยี่ใส่แล้วก็ถอนขนตาขนตาก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกโทมานัตอุปายจาจะกล่าวไปใะยัยถึงอย่างอื่นเล่า เราคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาแต่ก็มีปัญหาจนได้จะกล่าวไปยายถึงสิ่งอื่นที่หยาบและใหญ่กว่านั้นจะไม่เป็นที่ตั้งแห่งโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสนี่นะและ้วก็สรุปว่าถึงจะมีสิ่งเหล่านี้ในภพต่อๆไปก็เพื่ออะไรก็เพื่อโสกะปริเทวะทุกขโทมนัตและอุปายาสนีน่ฟังอย่างนี้ก็น่าออกจากวัตตะเหลือเกินเลยนะนี่ต่อไปเท่าบอกว่า แล้วอดีตชาติเนี่ยมีแก่นสารคือความเที่ยงแก่นสารคือความสุขแก่นสารคืออัตตาหรือบริขารของอัตตามีบ้างไหมในอดีตชาติมันก็ไม่มีอยู่จริงมันจึงเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระอะไรเลยชาติต่ อ, ตอไปถ้าสแสวงหาเพื่อพบใหม่ชาติใหม่ก็คือสแสวงหาอนัตตานั่นแหละคือสแสวงหาสิ่งที่ว่างจากความเที่ยงไม่มีความเที่ยงความสุขมีความงามความยั่งยืนหรือเป็นตนเป็น บริขารของตนเลยไหมแต่นิดเดียวก็ไม่ใช่ชีวิตในชาตินี้ก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมว่างจากความเที่ยงว่างจากความสุขว่างจากความยั่งยืนว่างจากอัตราว่างจากสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาเพราะสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นอย่างนี้นี่แหละมันก็เป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระสรบปขันธาตุอายตนะในการสามไม่ปีสาระขันเหล่านี้ไม่เป็นที่พึ่งของใคร แล้วใครก็พึ่งมันไม่ได้จริงๆนะเนีพึ่งไม่ได้จริงๆพึ่งว่าโอ้นี่นะจะขอพึ่งหน่อยขอหลีกเร้นหน่อยนะในขันเหล่านี้ได้ไหมถ้าเราขอพึ่งคนอื่นจริงๆนะขอพึ่งอยู่ได้แปดเดือนเจ็ดเดือนมั่งก้าแปดเดือนมั่งเก้าเดือนมั่งสิบเดือนมั่งอะนะขอพึ่งเขาได้เขานะั้นแหละถ้าเกินกว่านนะั้นเขาผ่าออกแล้วก็ไม่เอาไว้หรอกพึ่งอยู่ในขันใช่ไหม ดีนะนี่ถ้าอยู่ในฐานะเป็นมนุษย์ว่าพระไศวรีเนี่ยนะพึ่งแม่ได้นานกับเพื่อนเนะ็ดปีกับเจ็ดเดือนเออจ็ดปีกับเจ็ดวันเีย น, น, นะแต่ว่าเรานี่พึ่งวัดตานีเพึ่งมานานแล้วเนี่ยนะพึ่งคุกในวัตตานีพึ่งมานานแล้วเนะ น, นี่ย น, น, นะถูกเกลี้ยนถูกลงโทษถูกตีถูกยังไงก็ทนทนทนท น, ท น, ท น, น, นนะคมีโยมคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังอย่างเหมือนกันไม่เ อ, อ่ยชื่อเดี๋ยวเ็าเสียหายนานละ คือเนื่องจากว่าที่เกี่ยวข้องกันก็คือเขาเป็นน้องสาวของพระภิกษุที่มาบวชอยู่ด้วยกันเขามาเล่าบอกอาจารย์ครับเนี่ยไอ้น้องสาวผมเนี่ยนะมากรุงเทพนี่แหละมาอยู่กรุงเทพแล้วก็มาได้สามีที่มีเมียแล้วนะเสร็จแล้วก็เขาก็สามีก็ไม่ถึงกับชอบไอ้ผู้หญิงคนนี้สักเท่าไหร่นะแต่ก็อย่างว่าผู้ชายก็วนังค่อมนั่นแหละนะก็ไม่ใช่นิสัยดีสักเท่าไหร่นะผู้ชายนะแล้วก็ผู้หญิงก็ทํำก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ก็เลยทั้งคู่นั่นแหละทีนี้พออยู่ไปได้ระยะหนึ่งแนละเนีาก็เป็นเด็กอายุ1 7บ8เองอะทีนี้สามีมันก็เขียนเอาเตยเอาเตะเอ า, เอานี่นะใช้เขาบ้างใช้ศอกบ้างใช้ไม้ใช้มือบ้างเนี่ยนะก็เลยคาบแทบจะเป็นโรคประสาทพ่อแม่มาจากบ้านนอกมาชวนกลับบ้านยังไงก็คือคือก็ยังแอบคิดว่าเขาจะดีกับเราเขาจะดีกับเรา อย่านะ้เขาคงเอาใจเราเป็นบ้างนะก็หวังอยู่นั่นแหละก็เลยทนมือทนเท้าหน้าดูตอนหลังบ้านเลยนะก็เลยเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคจิตนะนะก็เลยเดือดร้อนอีกอันะนั้นที่ที่ต่างจังหวัดนะกรุงเทพก็ยังมีเลยไม่ต้องพูดอะไรมากนะนะก็คือแอบหวังว่าสังขารจะดีใช่ไหมคือลักษณะว่าคือหวังว่าขันห้าจะดีขันห้าจะดี เราทั้งหลายทุกคนเนี่ยจริงๆมันก็โดนแบบนั้นแหละสภาพนั้นแหะแต่ว่าคน ล, ละลักษณะเท่านั้นแหละเราก็หวังว่าขันห้ามันดีดีเราก็เลี้ยงดูนะเช่นเลี้ยงว่าเราคิดว่ารูปประคันมันดีใช่ไหมให้อาหารตามการให้ดื่มตามการให้อาบตามการให้นั่งตามการให้นอนตามการดูแลแต่ให้นวดตามการให้ยาดูแลดียังเนี่ยเสร็จแล้วมันเอาคืนมั้งมันก็เลี้ยงไม่เชื่องเลยนะท่านบอกว่ามหาพูดนี้เหมือนกับ อสอรพิษเนี่ยนะเลี้ยงยังไงมันก็แว่งกลับมากัดอีกตาวอีกตามเดิมเนี่ยนะประโดนกัดอยู่แล้วกัดเล่ากันแล้วกัดเล่านี่คือรูปประคันทีนี้ดูแลต้องดูแลรูปประคันไม่งั้นเวทนาขันก็วุ่วายดูแลรูปประคันไม่ดีเวทนาขันก็วุ่วายมันจะต้องมาเอาอกอดูแลรูปเพื่อเวทนานี่เวทนามันบอกไม่ถูกใจสัทีหนึ่งกไปแต่งรูปใหม่ ไปแต่งรูปใหม่นะแต่แกต้องไปดูแลรูปไปดูแลจักรูดูแลสีดูแลหูดูแลเสียงดูแลจมูกดูแลกลิ่นต้องไปดูแลลิ้นดูแลรสดูแลกายดูแลโู้ตาภะให้ดีนะฉันจะเวทนาฉันจะให้แกสุขหน่อยหนึ่งจะไปดูแลให้เลยถ้าแกดูแลได้ดีนะฉันให้สุขเวทนาหน่อยหนึ่งแกดูแลไม่ดีเมื่อไหร่ทุบทันทีอ้าวกระเดือดร้อนอีกแล้วเนี่ยนะวัตตามันก็อย่างงี้นะโอ้มันพวกเราจึงเป็นพวกลักษณะทนทนทนๆนกันแต่ไม่ใช่อดทนนะ ไม่ใช่ขันติบารมีนะอ น, นี้ไม่ใช่บารมีซากอย่างเนี้ยนะที่ทนกับขันห้าขนาดนี้แล้วเป็นอะไรเน า, เน า, านนนะเป็นความเขลาชนิดหนึ่งอันนั้นเป็นความเขลาชนิดหนึ่งที่รับใช้วัตตะไม่มีจบมีสิน้นนะทั้งๆ ท, ท, ที่รู้ว่าเป็นอย่างนี้นะจงละเสียเถิดนี่ก็ไม่ข้าพระองค์ก็ยังหวังว่ามันดีอยู่อีกพระเจ้าข่าเนี่ยนะไม่เชื่อลองกลับไปบ้านนะเออทีวีก็ยังใช้ได้ ที่นอนก็สวยอย่างเงี้ยนะก็นี่แหละเรียกว่าถูกเบิดต่อถูกบ่วงของพญามารมัดต่อไปอีก้ก็พิจารณานะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เที่ยงเพราะอธรรมวสิ้นไปเป็นทุกข์เพราะน่ากลัวเป็นอนัตตาเพราะไม่มีสาระแก่นสารเป็นต้นส่วนพรุ่งนี้ก็จะได้พูดถึงโตทั้งหลายเนี่ยนะจะได้เห็นความเลวร้ายของขันทาตาอรยตนะในการสามทั้งอดีตอนาคต ปัจจุบันหรือแม้กระทั่งภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประเนตใกล้ไกลก็จะมาพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฟีเป็นดังลูกซ้อนเป็นของชั่วเป็นความเจ็บป่วยเป็นฝ่ายอื่นความทำลายสเสียดจังไรอันตรายอุ้สารพัดอย่างมีอยู่ในขันห้าหมดแล้วนะนะจะต้องสะดอกครอสะดอกกรอนอะไรเป็นต้นรับพวกเกี่ยวกับขันห้านี้เลยเนี่ยนะแล้วก็ การศึกษาพระธรรมคําคสอนของเราทั้งหลายก็เพื่อเบื่อหน่ายและคลายกําหนัดในขันห้ามเมื่อเบื่อหน่ายก็คลายกําหนัดเพราะคลายกําหนัดจิตจึงหลุดพ้นเนี่ยนะถ้าหลุดพ้นแล้ว ก, ก็ชาติสิ้นแล้วนะถ้าชาติสิ้นแล้วแปลว่าอะไรสิ้นตามมาชารามรณาโสกกะ ป, ปริเทวะทุกโทมณตุปายาตสิ้นแล้วเนี่ยนะถ้าสิ้นชาติอย่างเดียวนะชารามรณาโสกกะ ป, ปริเทวะทุกโทมณอุปายาตก็สิ้นไป นะเพราะสิ้นไปแห่งชาติเพราะฉะนั้นกิจในการประพฤติอริยสัจประพฤติอริยมรรคเพื่อแทงตลอดอริยสัจก็ถือว่าจบสิ้นสักทีหนึ่งนะก็จบสิ้นกันทีเนาะชีวิตในวัตฏะว่างั้นบ า, บายบายว่างั้นพอแล้วไม่เอาแล้ววัตฏะกันนะเมื่อไหร่นะัก็ได้โบกมืออำลาวัตฏะแบบนั้นบ้างนะแต่ถ้ายังยินดีในมือก็ถือว่ายินดีในวัฏฏะอยู่ดนะีก็สมควรแก่เวลาเป็นวะ่า